พระสามาฉัน24โดยมากมาชันไม่พร้อมกันอดไปบ้างฉันบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงพระน้อยพระหนุ่มฉันบ้างอิ่มบ้างไม่เป็นไรเพราะหลวงพ่อเคยทํามาแล้วสายกรรมฐานของเราพระกรรมฐานของเราเป็นสายที่อดยากถ้าหาว่าอยู่แบบฟุ่งเฟือยอยู่แบบสนุกสนานเฮฮาสมาธิสมาบัติศีลสมาธิปัญญา มันจะไม่ก้าวหน้ามันต้องอยู่แบบเข้มเขมืออยู่แบบอดอดหยาดยาจิตใจมันจึงจะค่องแคล่วว่องไวคิดปราดเปลืองถ้าหากว่ากินตามอาเภอใจนอนตามอาเภอใจกินอย่างอิ่มหนำสำาสาราญกินแล้วก็นอนตาปือ้อท้องตึงหนังตาย่อนนอนเป็นชั่วโมงหมดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่อิ่มเพราะกินอาหารดี ากินอาหารทานอาหารพอยังชีพให้เป็นไปแล้วถึงจะหิวบ้างแต่จิตใจความคิดมันวิ่งสมองมันวิ่งใจมันวิ่งเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงให้อดนอนพรอนอาหารให้มีอาหารพอพอประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างหลวงพ่อเนี่ยออกไปทุดงอยู่ในปา่าบางที ได้ฉันอาหารมีแต่ข้าวโดยมากกับของชาวบ้านเขามีเท่าไหร่เขาก็ถวายเราก็ฉันตามมีตามเกิดที่บินธบา ต, ม, ตาาามีแต่ข้าวเปล่ามีแต่ข้าวเหนียวเป็นธรรมดาแต่ถ้าว่ามีนานๆเนี่ยไม่ไหวเหมือนกันนะหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังอยู่หลังภูย่าอูนบินธบาตวันไหนมีแต่ข้าวเปล่ า, ว, า ว, วันแรก วันสองวันก็ฉันได้ดีพอวันที่สามที่สี่ที่ห้ า, ท, หาที่หกนะีรู้สึกว่ากลืนเข้าเหนียวรู้สึ ก, กติดคอไปเรื่อยๆอยงั้นแต่ได้ใช้น้ําอุ่นฉันเข้าไปแต่ตามไม่จริงเราก็ไม่ฉะทกสถานเดือดร้อนเพราะเราเคยอดอาหารมาเป็นสิบยี่สิบวันเราเคยอดมาแล้วอันนี้เราฉันอยู่ทุกวันถึงจะไม่เต็มที่มันก็คงจะไม่เป็นไรมีอาหารตกอยู่ในท้อง พอ6 7็ดปดวันนั่นอ่ะโอ้รู้สึกว่าฉันอาหารข้าวติดคอพอสมควรเพราะนั้นลงมาตอนที่ลงมาจากเขาลงมามีเด็กตัวลเล็กๆตัวหนึ่งอ่ะหกเจ็ 6, ปีนี่นะพอใส่บาทแล้วคงจะพ่อแม่ให้เอาไอ้แกงหน่อไม้ส้มตามมาเราก็มาฉันอยู่นอกบ้านมีพลานหินก่อนหนึ่งมีแหล่งน้ำ เราก็เลยมานั่งชั้นตรงนะั้นเด็กน้อยเท่านั้นก็เลยเอาหน่อไม้ส้มแกงหน่อไม้ส้มถ้วยถนึงเล็กๆออกมาถวายคูบาว่างั้นเถอะจำไม้นะั้นประมาณ 10, าชักสิบพรรษาเนี่ยมั้งออกทุดงสิบกว่าพรรษานะี่ยได้ฉันแกงหน่อไม้ส้มอันนั้นโอ้โหอร่อยติดอกติดใจกระทั่งทุกวันนี้ว่างั้นเถอะยังไม่ลืมอยู่งั้นเถอะมันได้สันมันได้สันเผ็ดกับสันเข็มว่างั้นเะโอ้ ไม่พี่นาดูลลฤศีชีภัยตะก่อนอยู่ในป่าขาดอาหารเค็มอตามไม่จริงเอพระอยู่ในป่าถ้าไม่ได้อะไรก็มีเกลือก็ยังดีนะใส่บาต ท, ท่านมีแต่ข้าวเป่าเนี่ยโหลํานะลบากเหมือนกันแต่จะให้ท่านขอท่านจะขอได้งไงท่านเป็นพระโว้ยโยมเอ๋ต้องมาขอเกลือหน่อยก็ะจะว่าไปบิณฑ บ, บาตได้ยังไงอ่ อันนี้แต่ฉันเข้าปล่าอยู่เกือบสิบกว่าวันวันนั้นก็ได้มาฉันแกงแกงหน่อไม้ส้มว่างั้นน้ำใสๆใชแต่ก็ออร่อยเพราะมันมีเกลือนี่ลหละเราเคยทุกป่าพอแหลงเรื่องการประพฤติปฏิบัติทีนี้เราไปอยู่ป่าเนี่ยบินธบก็ได้ฉัน แต่เรากขอดอาหารอยู่ที่ถ้โพเวตอําเภอนาแกจังหวัดนครพนมห่างไกลจากหมู่หมู่บ้านประมาณสักห้าแล้วหกิโลมั้งตื่นแต่เช้ามืดนะตื่นแต่เช้ามืดพอพึมพรแล้วก็ลงจากเขาละ่ะ้าไมงั้นมันสายเกินไปพอลงมาบินนบัดชั้นเสจแล้วก็เดินกลับกว่าจะถึงได้กันนู่นะ่ะเกือบเที่ยง เนี้ยก็บินาบาทบาตวันสองวันพอได้ที่เลยก็ขี้เกียจไปแท่เนี้ยอดอาหารแท่เนี้ยบอกเขาซะวันพุ่งนี้วันพุน่งนี้ไม่ได้มาได้อจากนั้นก็อดอาหารอดอาหารวันหนึ่งสองสามวันตามปกติเราจะอดในป่าเนี่ยไม่เกินสามหรือสี่วันเพราะว่าอดอาหารมันไม่มีน้ําตรงน้ําตาลเลยมันมีแต่น้ําเปล่าสามสี่วันเนี้ยก็เต็มทนแล้วงั้นแต่ ตอนนีไ้ไปอดอยู่ถ้ำพระเวทนี่องเดียวนะวันที่สามก็อือภาวนาดีวันที่สีก็ภาวนาดีวันอดถึงวันที่ห้าว่าไงนเ่อดถึงวันที่หา้หาโอ้ไม่ไหวเลยตัวนี้ลงบินทบาทมีไม่เท้าด้วยนะพอเดินเดินไปชักครึ่งทางเนี่ยนะ่เข่าอ่อนเข่าเนี่ไปก่อนเพื่อนว่านงแอะคนเหนื่อยในี่เข้าไปก่อนเพื่อน พอเดินไปเครื่องทางเขาอ่อนเน่ยตายตายตตาต า, ต า, ต า, ตามันจะไม่ถึงที่ท่นี่งยังไม่ถึงไอยที่ที่ที่ที่วัดเขาที่วัดอยู่ตีนบ้านนะ่ะที่เขาคอยว่าย<ม>เดินไปนี่ยใช้ไม้เท้าค้ำยันไปแล้วงั้นเถอะคนเหนื่อยแล้วคนอ่อนเพลียเนี่ยเข่าไปก่อนว่ะไปพินานดูแล้วเอียเข่าอ่อนเมื่อกีนอ้นั่นแหละกว่าจะถึง วัดได้ว่า ง, งั้นเหงื่อแตกแล้วงั้นแต่ไม่ใช่เหงื่อแล้วมันยางตายว่างั้นแต่เอาไปถึงเสร็จแล้วก็ค่อยๆเดินบิดนบาบในบ้านกลับมากขบไปชั้นชั้นแล้วก็ขึ้นกุฏิในหมู่บ้านก็มันมีนมกุฏิเป็นวัดป่าเล็กๆหากุฏิจองกุฏิหลังไหนก็พักผ่อนขึ้นไป น, นอนแล้วงั้นเลยเหยียดเอาแรงซะก่อนโน่นบ่ายสามบ่ายสี่ยังค่อยกลับขึ้นมาทำอีกว่างั้นแต่ โอ้จากนั้นมาก็เลยเป็นบทเรียนของเราเหมือนกันไปอยู่ในป่าเนี่ยเราจะอดอาหารติดต่อกันหลายวันไม่ได้เพราะร่างกายของเรามันจะแบงมากกค่สองสามวันก็เพียงพออันนี้เราอดอาหารถึงห้าวันเนี่ยแปลว่าร่างกายเราทนไม่ไหวเหมือนกันเขาอ่อนเพราะงั้นเ <c oughs> <c oughs> นี่อันนี้ก็คือวิธีการแต่ใจกับกายเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันหรือว่ามันไม่สมดุลกัน อใจมันสบายแต่กายเนี่ยมันไม่ไหวเหมือนกับคนขับรถน่ะคนขับรถเนี่ยแม้จะมีแต่เจ้าเอาจะเหยียบเยียบแต่มันรถมันไปไม่ไหวว่างั้นเถอะเอามันรถมันอลูกสูบมันอะไรมันมีปัญหาอะไรว่างั้นเถอะเอแต่วใจคนขับเนี่ยแหมมันคึกมันจะขนองมันจะเอาเรื่อยว่างั้นเถอะแต่รถมันไม่ไหวอันนี้ก็เหมือนกันอใจของเราเนี่ยรู้สึกว่าเข้มงวดกวดขันเึ่งภาวนา เหมือนจะได้มักได้ผลเร็วๆอย่างนั้นน่ะแต่ว่ากายมันไม่ไหวมันมันหนีออกจากกายในช่วงนั้นไม่สัมผัสทางกายอางนั้นมันไม่ได้สนใจเรื่องกายมีแต่ดุนจดใจเรื่องใจอย่างเดียวมีแต่ดูใจอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นบทเรียนอีกอย่างหนึ่งที่ไปอยู่ถ้ำพระเวทอาเภอนาแกอยู่องค์เดียวนะห่างไกลจากหมู่บ้านเกือบสี่ห้ากิโล นี่แเรียกว่าการอดอาหารเป็นชีวิตจิตใจของพระกรรมฐานที่อยู่ป่าอย่างน้อยก็ได้ความอดทนเมื่อเราไปในสถานที่ใดอิ่มบ้างอดบ้างกดบ้างอิงอ่มบ้างขาดบ้างไม่เป็นเรื่องหนักใจเพราะเราเคยอดมาแล้วนี่แหละการอดอาหารอย่างน้อยก็ได้ความอดทนในระดับหนึ่งเหมือนกันมากกว่านั้นก็ อดนอนผ่อนอาหารเป็นชีวิตของพระกรรมฐานถ้าอาหารมากๆแล้วร่างกายสมบูรณ์มีแต่กินและนอนกอนนันินตรงตามหาบัวท่นานว่าสับของวงตากอนนันินกินและนอนถ่านว่าผู้ที่ปฏิบัติแล้วต้องผอนบ้างอิ่มบ้างผอนบ้างนี่แหละ ชีวิตของพระป่าเน้นนเน้นทางด้านเน้นทางด้านจิตใจเป็นสำคัญเรื่องการอยู่การกินการเป็นอยู่นันพอประมาณส่วนจิตใจนั้นสมาธิกาหนดจิตตรงไหนภาวนาอย่างไรอันนั้นสำคัญถ้าเราอยู่อย่างนั้นยิ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่ง บางแห่งเมื่อเราจะอดอาหารหรือว่าเราจะอยู่ตามลาพังองเดียวเราจะอดอาหารหรือเราจะอยู่ตามลาพังเราตั้งจิตอธิษฐานไปเลยเข้าไปเจ้าขณะที่อดอาหารเข้าไปเจ้าจะไม่ให้เผลอไปทางอื่นโดยเด็ดขาดถ้ามันเผลอไปเข้าไปเจ้าจะดึงกลับคืนจะให้ให้อยู่กับกรรมฐานอันนี้เพียงอันเดียวอันนี้เราก็เคยทามา กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเวลาเราเดินกับขาขวาพุดธขาซ้ายโถคือให้มีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดโอ้มันใหม่ใหม่มันก็มากอยากพอสมควรแต่พอต่อไปต่อไปพอเรามีความมุ่งมั่นมีความพยายามมีความตั้งใจจริงนะจิตใจมันสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาสั้นเข้ามามันอยู่กันหลักเลยทตนี่ เวลาเราจะเคลื่อนไหวไปที่ไหนมันจะอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดโอ้สติอยู่กับตัวเองนี่มันมีความสุขอีกระดับหนึ่งเหมือนกันมันไม่หิวโหยกับอารมณ์ต่างๆมันอยู่กับตัวเองตลอดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธถึงยังไม่พุโทโธก็ให้มีสติอยู่กับตัวเองเหมือนกันรู้อ ย, อยู่อยู่อย่างนั้นแนอะืะแต่ก่อนมันสายแสออกไปข้างนอกแต่นี้พอจะออกไปแล้วสิก็ว่า จะอดเพียงเจ็ดวันน่ยแปดเก้าวันเน่จะออกระบาดเนี่ยพอคิดว่าจะออกว่าพรุ่งนี้จะออกชั้นอาหารใจมันเริ่มออกแล้วได้บ้านเลยมันใจออกปับ๊บเอา้ามันทำไมออกดึงมาออกไปปับ๊บออกไปไกลไปไกลไกลไกลไกลไกลไกลไปเลยผลที่สุดเลยปกติเออก็รู้ได้อีกเหมือนกันว่าสติอยู่กับตัวเองใจอยู่กับตัวเองนั้นเป็นอย่างไรที่จิตใจมันคิด ออกไปข้างนอกไม่มีกฎเกณฑ์นั้นเป็นอย่างไรไอคนที่มีจิตใจคิดไม่อยู่กับตัวเองเลยคิดปุงพุ้งซ่านมากๆจนถึงกับเข้าโรงพยาบาลแล้วเป็นยังไงก็พอจะรู้ได้มันไม่ใช่รู้ที่อื่นรู้ด้วยตนเองนันเพราะนั้นท่านจึงพระพุทธเจ้าท่านจึงเน้นหนักเรื่องสติ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้ปฏิบัติมหาสติมหาปัญญาสติแล้วยังมีปัญญารอบค้อบอีกเรื่องสติเป็นเรื่องที่จำเป็นสําคัญสําหรับนักปฏิบัติถ้าขาดสติเสยอย่างเดียวทุกอย่างขาดหมดเพราะนั้นเรื่องฝึ ก, กจิตในเรื่องสติต้องมาอันดับหนึ่งเพราะนั้นเราจะก้าวเดินเหินไปที่ไหนให้มีสติ รับพอนะอนุโมทนาให้พอนะทน่นีนะวันนี้เป็นวันพระนะวันนี้เป็นวันพระเดือนสามดับปีสี่แปเป็นวันพระใหญ่วันหนึ่งร้านพวกเราญาติโยมโดยเฉพาะยังยิ่งผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุให้รักษาศินห้านะอย่างน้อยธรรมะาข้อนั้นรักษาสินุโบโสถก็ดีนะรักษาศินแปด ยะถาวาริวาหา